ความหิวและการหายน้ําทําให้กําลังของทุกคนลดถอยอ่อนระหวยรวยแรงลงเป็นลําดับรพินภัยวันนําทั้งคณะเคลื่อนไปด้วยธาตุของรูปภัยโดยสายกําเนิดฝีเท้าคงที่เสมอต้นเสมอปลายไปนหนึ่งว่าร่างกายและพลังงานของเขาจะประกอบขึ้นด้วยจับกลุอันปราศจากเลือดเนื้อไม่มีใครสังเกตได้ว่าจอมพานอาศัยหลักหรือร่องรอยใดๆติดตามแง้สา ย, ายแต่ก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าเขาจะไม่มีวันผิดทางส่วนจะไปถึงไหนนั้นก็สุดแล้วแต่จะทายถูก นอกจากพวกลูกหาบที่รอนแรมกันมาเบื้องหลังแล้วทุกคนไม่มีใครสะพายปืนไว้บนไหลหาเพียงตับถือพร้อมไว้ในมือสภาพของป่าอันแวดล้อมมันเตือนสำานึกแต่ละคนได้ดีว่าจะใครจะต้องเตือนใคร ผ่านแอ่งน้าเล็กๆอีกสองแห่งซึ่งสภาพของมันแลไม่ผิดอะไรกับที่เคยพบมาแล้วและทันทีนั้นฝ่ายที่เดินตามอยู่เบื้องหลังระยะห่างออกไปประมาณ29ก็เห็นรัฐพินหยุดชะงักอยู่กับที่อย่างกระทันหันประทับไรเฟิลขึ้นไหล่โดยเร็วทําให้คณะนายจ้างทั้ง4ซึ่งกําลังเดินลากขารวมกลุ่มกันมาอย่างโผเพต้องตื่นตัวกระจายกันอยู่เข้าหาที่กําบังกลุ่มปืนเตรียมพร้อมแต่ก็เห็นรัฐพินจ้องปืนเล็งไปทางใดทางหนึ่งค้างนิ่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้ลั่น อึดใจต่อมาจึงค่อยๆลดตื่นลงทุกคนย่อมกริบเข้าไปที่เขาซึ่งยังคงจ้องสายตาไปยังพงรคเบื้องหน้าตอนหนึ่งซ้ายมืออะไรไอ้ดำปอดตัวนั้นครับพรานใหญ่ตอบแผวต่าโดยยังไม่เปลี่ยนสายตาใช้หลังมือปาดเหงื่อบนหน้าผากแนละยิ้มกร้านๆออกมานิดหนึ่งมันดอดมาดักอยู่หน้าโผล่ออกมาจากพุ่มโน่นพอยกปืนมันหลบแวบยิงไม่ทันยังหลบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า มันทึบเปลือเกินเดาไม่ถูกหรอครับแต่ผมคิดว่ามันยังคงย่องเลี่ยงห่างออกไปแล้วนี่แปลว่ามันย่องตามเรามาทุกระยะชายันกระซิปจุ0หกนในโตรแนบอยู่กับซอกไหล่ศูนย์สไปยังบริเวณพงทึบตำแหน่งนั้นลองสุ่มยิงเข้าไปดูสักนัดไหมไม่เห็นตัวอย่ายิงดีกว่าครับเขาตอบแล้วแก้งตฝกฝ่ามือลงกับขากรรเกงเสียงดังสนั่นในความเงียบดงรอบตัวคงสงบเป็นดุษดียอยู่เช่นเดิมไม่มีวี่แววกระโตกกระตาะใดาๆทั้งสิ้น ไปตามเส้นทางของเราเชิดาสั่งเพียงแต่คอยระวังตัวไว้ก็แล้วกันโผให้เห็นเมื่อไรก็ยิงเมื่อนั้นแล้วหัวหน้าคณะก็หันไปมองดูอีกหคนที่แบกหามของอยู่เบื้องหลังด้วยความเป็นห่วงพยักหน้าชวนชายยันแกกับชั้นสองคนลงไปเดินหลังคุ้มกันคนของเราไว้ให้น้อยกับเมย์เดินอยู่หน้าขบวนตามหลังนพิน จะหายของเขารับคำอย่างเต็มใจขณะที่ระพินเริ่มเคลื่อนที่ทั้งสองก็รอให้สามคู่ของพวกลูกหาบเดินผ่านหน้าไปก่อนทิ้งท้ายลงมาปิดหลังเพราะคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะคุ้มครองตนเองได้ถนัดขณะที่ก้มหน้าก้มตาแบกภาระอยู่เช่นนั้น เวลาอันแสนจะยาวนั้นผ่านไปอย่างกรากรมทรมานชัฐาและชัยยานคอยสำรวจดูเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาดารินกับมาเรียอีกคู่หนึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าของลูกหาบโดยมีพรานใหญ่เป็นเรือนำร่องทิ้งระยะห่างยี่สิบ หนทางรุ่มและดอนสลับกันมันผ่านเข้ามาในความรู้สึกเหมือนฉากหมุนรูปวงกลมอันปราดจากที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นพวกจตุบทวิบาทไม่ได้แผ่วผ่านเข้ามาให้เห็นหรือได้ยินเสียงเลยนอกจากพวกเรื้อทาารักษณะแปลกๆที่นานๆจะพบสักครั้งทันแล้วประมาณบ่ายสีโมงเศษป่าเริ่มจะโปร่งขึ้นในที่สุดก็โผล่ อ, ออกมายัางบริเวณชายทุ่งแฝกอันกรอบเกลียเป็นสีน้ำตาลด้วยความแง้ง ไอระอุโชยมากระทบหน้าของทุกคนแม้จะบ่ายลงไปมากแล้วลมที่โชยมาจากท้องทุ่งสัมผัสผิวรู้สึกแสบราวกับพัดผ่านมาจากทะเลทรายริมฝีปากของทุกคนแห้งผากแตกเป็นสะเก็ดและพินหยุดมองไปรอบๆเหมือนจะค้นหาทางแล้วโบกมือเป็นสัญญาณนำบุลเล่ไปตามชายทุ่งอันมีต้นเตงใบร่วงแดงโกรนยืนอยู่ห่างๆเหมือนเสาเรือนที่ถูกไฟไหม้คณะนายจ้างทั้งสีดื่มน้ำกล้วกคอกันอย่างประหยัดคนละสองสามอึก เบาใจขึ้นเล็กน้อยจากการที่ต้องคอยระมัดระวังตัวแจเมื่อพลนดงทึบออกมาเพราะพอจะมองเห็นอะไรรอบตัวได้ถนัดชัดเจนขึ้นป่าที่เต็มไปด้วยเสียงของสยงสาราสัตว์มันทําให้วังเวงและน่ากลัวแต่ป่าที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้แต่มแมลงสักตัวกลับทําให้หน่ากลัวขึ้นอีกหลายเท่าชา ย, ยันพื้นพรมแหบๆเหมือนจะรําพึงกับตนเองขณะที่เป่าลมระบายความร้อนอ้าวออกมาจากทรวงอก ทันใดนั้นผานใหญ่ผู้อยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะ ง, งักลงอีกครั้งอาการของเขาดูเหมือนจะพบกับสิ่งที่น่าสนใจอะไรบางอย่างจากนั้นก็เร่งฝีเท้าลัดเลี้ยวไปตามโขดหินเตี้ยเตี้ยริมชายเนินแล้วหยุดลงตรงโคนต้นเต่งต้ น, ต น, ต น, ตนหนึ่งหันกลับมาบุมือเรียกอย่างรีบร้อนทั้งหมดตามเข้าเป่าเดียวเร็วพอเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่เบื้องหน้าก็คลางออกมาเป็นเสียงเดียวด้วยความประหลาดใจ และมั่งหนุ่มเขางามตัวหนึ่งนอนตายอยู่ที่นั่นอย่างสงบบาดจากร่องรอยของการต่อสู้หรือดิ้นรนอะไรทั้งสิ้นนอกจากรอยวิ่งมาหมดัดหมาดกลังล้มและขาดใจตายอยู่ตรงนั้นแล้วผินกว่าตาไปรอบๆอย่างรวดเร็วแล้วซุดตัวลงสํารวจซ่ายังสดอยู่ครับคงเมื่อคืนตอนหัวรุ่งนี้เองมันตายเพราะอะไรดื่มน้ำที่เป็นพิษหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดกระมังชายยันถามโดยเร็วเพราะมองไม่เห็นรอยเลือดหรือบาดแผลใดๆทั้งสิ้น จอมพันจับก้านคอหลังของแม่มั่งตัวนั้นพลิกขึ้นให้ทุกคนดูทั้งหมดงงไปอีกครั้ง เมื่อเห็นรอยเจาะลึกลงไปเป็น4รอยลักษณะเคี้ยวสัตว์ใหญ่เอาหัวแม่มือยัดเข้าไปได้ตรงปากแผลซี่แท่งประจักษคาบเลือดแม้แต่หยดเดียวเสือกระมังแต่ทำไมถึงไม่กินเนื้อเลยแม้แต่กระแบ่มือเดียวชัยยันร้องนี่ไม่ใช่รอยกัดของเสือถ้าเสือก็ฉีกเนื้อเละออกไปแล้วไม่สังเกตหรือไม่มีรอยเลือดให้เห็นเลยแล้วก็แล้วมันเป็นอะไรล่ะแล้วผินเม้มปากเหลือบมองหน้าทุกคนที่มุงล้อมอยู่แว บ, บหนึ่งก็ชักมีดโบวี้ออกมาเฉิญที่บริเวณข้อเท้าของซา เปิดหนังออกไปจนถึงเนื้อและเลือดสดแสแวกออกดูไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยแม้แต่หยดเดียวเขาพึพมพำลอยลอยปึดใจนั้นอีกสี่คนก็ซุดตัวลงนั่งล้อมซากโดยเร็วพยายามตรวจ ด, ดูจนทั่วก็ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยอะไรมากไปกว่ารอยเขี้ยวสีเขี้ยวที่ฝังลึกลงบนก้านคอด้านหลัง มีรอยเคี้ยวถูกกัดแต่ไม่ปรากฏรอยเลือดที่ควรจะทิ้งไว้ให้เห็นแม้แต่สับยดเดียวหัวหน้าคณะพื้นพำหรือตาเนื้อก็ไม่ถูกฉีกออกมากินเป็นอาหารเหมือนสัตว์ประเภทกินเนื้อทั้งหลายจะเลงานเหยือ่ของมันชา ย, ยันกล่าวขึ้นลอยลอยเสริมขึ้นในลักษณะคิดหนะักผู้กองอะไรเป็นความเห็นของคุณและพินบุ้ยปากขึ้นไปอย่างชายเนินซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นหญ้าคาแห้งๆเหนือซากละมั่งขึ้นไปดูนั่นสิครับเขาบอกทั้งหมดหันขวับไปดูโดยเร็ว รอยย่าแห้งตำแหน่งนั้นเป็นรอยแหวกลู่เป็นทางลงมาจากด้านบนอันแสดงให้เห็นชัดว่าละมังเคาะไรตัวนี้กลิ้งลงมาจากทางด้านนั้นใช้ถาพุ่นลุกขึ้นโดยเร็วกระโดดไต่งแง่เหินตามรอยขึ้นไปเบื้องบนซึ่งเป็นบริเวณหน้าผาสูงขึ้นไปเพียงสิบห้าฟุตชายยันก็เพ่นตามขึ้นไปด้วย พบอะไรบ้างไม้มชายันมาเรียร้องถามขึ้นไปทั้งสองช่วยกันก้มมองดูพื้นอยู่ครู่ก็ตะโกน ล, ลงมามีรอยดิ้นเป็นแปรงอยู่บนนี้แต่ก็ไม่มีเลือดแล้วก็ดิ้นหลุดตามทางลาดนี่ลงไปถึงที่มันนอนตายอยู่นั่นแหละมันถูกจู่โจมครั้งแรกที่นี่แล้วไปตายข้างล่างนั่นรับผินไตาตามทางขึ้นไปอย่างสงบภายหลังพิจารณาดูอยู่ครู่เดียวเขาก็เห็นว่าการสันนิษฐานของนายจ้างทั้งสองน่าจะถูกต้อง ต่างกลับลงมายังซากละมั่งอีกครั้งมองหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วก็ดูเหมือนจะอ่านความคิดของกันและกันได้ถูกหมดโดยไม่จำเป็นต้องปรีปราชายันเบ้ปากอย่างใจสยียวใช่ถาก็อึง้งมาเรียพืมพันอะไรอยู่ในลำคอส่วนดารินก้มลงตรวจบริเวณแผลซีดแห้งนั้นอย่างละเอียดที่สุดมันถูกฝังเยวแล้วก็ดูดเลือดใช่ไหมครับคุณหญิง เสียงระพินถามต่ำๆทำลายความเงียบขึ้นแทนที่จะตอบตรงคำถามแพทย์สาวนักมนุษยวิทยากับย้อนถามมาแอบๆว่าแล้วคุณคิดว่ามันจะควรจะเป็นอะไรละ่ะผมไม่เคยเห็นสัตว์ ร, ร้ายชนิดใดกินเหยื่อของมันในลักษณะนี้มาก่อนแล้วคุณก็ไม่เคยเห็นสัตว์ ร, ร้ายชนิดใดที่มันบินเข้าจู่โจมคุณตอนไปเก็บพริกเมื่อคืนนี้กับสางปลาและบุญคาไม่ใช่หรือถ้าคุณกับอีกสองคนด้านหลบเลิกต่อต้านมันไม่ ต่อต้านไม่เคยเห็นสัตว์ร้ายชนิดใดกินเหยื่ของมันในลักษณะนี้มาก่อนแล้วคุณก็ไม่เคยเห็นสัตว์ร้ายชนิดใดที่มันบินเข้าจู่โจมคุณตอนไปเก็บพริกเมื่อคืนนี้กับสางปลาและบุญคําไม่ใช่หรือถ้าคุณกับอีกสองคนดันหลบหลีกต่อต้านมันไม่ทันอาจตกอยู่ในลักษณะเดียวกับละมั่งตัวนี้ก็ได้หรือว่าในพวกเราใครมีเหตุผลสงสัยไปอย่างอื่น พร้อมพูดหลอนกวาดมองไปยังเชษฐาชัยันไดมาเรียที่พากันนิ่งงันอยู่เหมือนจะอย่างความเห็นไม่มีใครคัดค้านข้อสันนิษฐานของดารินใช่มันจะต้องเป็นไอ้ข้งข่าวผีตัวนั้นแหละน้อยพวกเราคิดอย่างเดียวกับเธอทั้งนั้นมาเรียกระซิป มันไปโจมตีพวกเราที่แคมป์ก่อนหัวหน้าคณะพูดกับานใหญ่ต่อจากนั้นก็ผักไปเล่นงานคุณแล้วในที่สุดก็บินมาพบละมั่งเคาะร้ายตัวนี้เข้าจะไล่กันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทลาลงโจมตีบนขอบเนินนั่นกัดก้านคอแล้วก็พลิกกลิ้งลงมาตามชายเนินด้วยกันดูดเลือดกินหมดรอยยาคาที่ยับรูลงมานั่นเป็นรอยใหญ่มากลาพังละมังกิ้งลงมาเพียงตัวเดียวมันคงไม่มีทางกว้างถึงขนาดนั้นหรอก ผมก็เข้าใจอย่างนั้นคุณชายรอมพานตอบออมๆอเสียงคุณเดินมาพบเข้าได้ยังไงที่นี่บังเอิญหรือว่าเห็นร่องรอยอะไรก่อนชัยยันถามรอยของแง่ทรายนำทางมาทางนี้ผมไม่เห็นวี่แววระบังตัวนี้มาก่อนแล้วเขาก็ชี้ไปตามพื้นอันรกรกไปด้วยกอหญ้าแห้งซึ่งคณะนายจ้างดูไม่ออก แกสเยเดินผ่านซากละมั่งนี่ไปก่อนตามรอยก็เลยพบไอ้นี่นอนตายอยู่ที่เป็นเนื้อตัวแรกที่พบเห็นภายในสองวันอันว่างเปล่านี่อย่างไรก็ตามจัดว่าเป็นโชคของเราที่พบมันเข้าในยามแรนแค้นที่สุดั้างข่าวผีนั่นมันดูดเลือดไปส่วนเนื้อทิ้งไว้ให้ไปผลพลอยได้ของเราถึงว่าสิ แงรายถึงแม้เดี๋ยวนี้จะกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ตามมันก็ยังมีส่วนดีอยู่เหมือนกันที่ทำให้เรามาพบกับอาหารเช้าชั ย, ยันพูดอย่างยินดีทุกคนกำลังหิวโหวยต้องการอาหารอย่างยิ่งและผ่านมื้อกลางวันมาโดยไม่มีอะไรลงกระเพาะเลยจนกระทั่งบ่าย4ี่โมงเศษละฐินสั่งพวกลูกหาบหยุดพักชั่วขณะ จัดการกองไฟลอกหนังละมั่งออกแล่เนื้อกินกันตรงนั้นกำลังก็พอจะกลับคืนมาบ้างเป็นอันว่าทั้งคณะได้อาหารโดยไม่คาดฝันท่ามกลางความหวังอันมืดมนอย่างน้อยที่สุดมันก็พอประทังชีวิตออกไปได้อีกสองมือ้อ ต่อไปก็เป็นเรื่องของน้ำซึ่งความหวังเลื่อนลอยเหลือประมาณตะวันเริ่มอ่อนแสงลงเป็นลําดับแต่ภูมิประเทศเป็นทุ่งราบฟ้าจึงยังสว่างจ้าลับพินสังเกตดูภูมิประเทศโดยรอบอย่างหนักใจเขาสอบน้ําอีกครั้งแล้วก็คํานวณได้ว่าสําหรับคณะนายจ้างอย่างมากเดินกันได้อีกเพียงไม่เกิน6ชั่วโมงก็จะหมดสิ้นกําลังทาไม่ได้มาเพิ่มและชั่วโมงของทางอันไม่รู้อนาคตนี้ก็ยังไม่รู้ได้เลยว่ารอยของแงา่ใจจะนําไปทางใด อีกประมาณสองชั่วโมงก่อนตะวันจะรับฟ้าทั้งคณะขึ้นหน้าต่อไปอย่างแข่งกับเวลาโดยมติตั้งมั่นกันว่าจะไม่หยุดจนกว่าจะมองไม่เห็นทางการพักเพื่อกินอาหารเกือบชั่วโมงถือว่าเป็นการพักที่มีค่าพอแล้วสำหรับพลังที่จะรุดหน้าต่อโพเพลงไปทุกทีท่ามกลางทุ่งแฝกสลับกับหญ้าคาที่แห้งเกรียมนั้น ใบอันสาขายและขนของมันทำให้คันยิบไปหมดทั้งตัวแต่ไม่มีใครคิดหรือสนใจกับมันแล้วก็ถึงพื้นลาบโลกมีแต่ป่าหินและซุ้มไม้เล็กเต็มไปด้วยหินผาน้อยใหญ่ที่ขึ้นเป็นของต้นไม้แห้งแล้งประเภทสลัดใดและตะบองเพชร ระยะนี้เองพันใหญ่ทิ้งกระบวนห่างออกไปอีกเหมือนจะพบจุดสนใจที่ทำให้ต้องกระชั้นชิดเข้าไปแล้วไม่นานนักเองร่างของจอมพันก็หายไปเบื้องหน้าตามเคยคงปล่อยให้คณะทั้งมวลตามรอยเขาไปไม่มีใครเป็นห่วงหรือกังวลอะไรนะักพระรู้เชิงกันเสีแล้วเพียงแต่พยายามเล่งฝีเท้าขึ้นมาเท่านั้น บรรนระหว่างที่เดินเรียงสองกันไปตามทางเรียบเล็กๆสองฝ้าเป็นป่าหินสลับตะบองเพชรนั้นทั้งหมดก็จะดุ้มขึ้นสุดตัวเสียงไรเฟิลนัดหนึ่งระเบิดกัมปนาศขึ้นสนัดนวันไว้สะเทือนลึกเข้าไปถึงคั่วหัวใจมันดังอยู่เบื้องหน้าทิศทางเดินไปของคณะไม่ห่างออกไปเท่าไหรนะ่นักยังไม่ทันจะหมดเสียงสะท้อนซาก้องไปมาอยู่นั้นก็แผดขึ้นอีกตูมติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันแม้แต่คำเดียวพวกลูกหาทุกคนทิ้งของลงจากไหลในขณะที่สี่คนในจ้างวิ่งปาดออกไปอ ย, อย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยอันแต่เดิมแทบจะก้าวขาไม่ออกอยู่แล้วแล้วก็อีกตูมเป็นนัดที่สมซึ่งนั่นประกาศให้ทราบชัดถึงความผิดปกติวิสัยที่มือขนาดรัพินภัยวันจะยิงอะไรมากเกินกว่า2นัด กำลังมีอยู่เท่าใดก็ประดังกันพั่งภูออกมาทั้งหมดมันดูเหมือนจะมากมายเกินกว่าสภาพปกติเสียอีกสำหรับอีกสิบคนที่ใจโลดเล่าเป็นไฟเผาภายวันพระเจ้าคุ้มครองเขาด้วยเถิดเสียงมาเรียร้องตะโกนมาอย่างลืมตัวเชษฐาวราฤทธิ์เป็นบุคคลแรกที่เล่นมาถึงหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งบริเวณผาตเตี้ยเต้ยริมทางแล้วราชสกุมหนุนหัวหน้าคะาก็ยืนตาโบกเพิงตะลึงไปชั่วคณะเพราะสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่ง มันคือไรเฟิลจุดสเวเทอร์บีแมกนัมที่ทุกคนเห็นจอมพานถือประจำมือมันตกอยู่ที่นั่นและพินัยวันอันตรหารหายไปอย่างลึกลับคณะพักทั้งหมดก็พุพ่งพรวดก็้ามาถึงที่นั่นในเวลาอึดใจต่อมาท่ามกลางจิตใจอันเต้นไม่เป็นระสาประกอบไปด้วยสังหอนร้ายต่างกวดสายตาไป ร, บรอบๆด้านอย่างรวดเร็วในลักษณะลุกลนุนชุนบุ กลุ่มพันพื้นเมืองและมาเรียรซึ่งชำนาญต่อการสแสวงหาร่องรอยกระจายกันออกค้นหาหลักฐานในระแวกใกล้เคียงโดยรีบด่วนลักษณะของแต่ละคนไม่ผิดอะไรกับมาล่าเนื้อที่พยายามดมหากลิน่นและขณะนั้นเองชายันก็ก้มลงช่วยไรยเฟริลกระบอกที่ตกขึ้นมาสำรวจดูโดยเร็วเอ๊ะลำกล้องเย็นเฉียบปืนกระบอกนี้ไม่ได้ยิงเมื่อยอกๆนี่เลยเขาร้องออกมาเร็วปื้ชัยถากกระชากไปอย่าง จับมืออย่างพิศวงดึงลูกเลื่อนเปิดออกกระสุนขนาดจุดสี่นัดหนึ่งที่ประจำพร้อมอยู่ในรังเพลกระเด็นหวือออกมาราชสกุลหนุ่มกดสปริงล็อกของกระสุนใต้ปืนปล่ให้ลูกที่เหลืออยู่ในซองหลุดล่วงลงมากับพื้นปรากฏว่ามันอยู่ครบอัตราที่มันบรรจุอยู่ในปืนไม่ได้ขาดหายไปเลยถูกแล้วระพินไม่ได้ใช้ปืนกระบอกนี้ยิงใช้ถาพูดอย่างร้อนรนพอๆกันและทุกคนก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองว่า รเพลินมีไรเฟริลติดตัวอยู่2กระบอกกระบอกหนึงคือ .460 w e a t h e ของแงซ า, ายซึ่งเขาถือติดมือมาด้วยในระหว่างการเดินอีกกระบอกหนึงก็คือ .458 วินเซอร์ e r Magnum อันเป็นปืนประจำตัวซึ่งสไพล์ไหลไว้บัดนี้จากหลักฐานที่เห็นปืนกระบอกที่ถือ น, นั้นหล่นอยู่กับพื้นส่วนอีกกระบอกหนึ่งหายไปพร้อมกับเจ้าของด้วยและพิสูจน์ได้ว่าสามนัดที่ระเบิดเกล็ดกล้องเมื่ออึดใจใหญ่ๆนั้นจอมพานยิงจากจด .458 m a g น u m นั่นมันหมายความว่ายังไงนี่ดาวรินร้องขึ้นเสียงสัน่นเช็ดขากัดลิ้นฝีปากแล้วพินจะต้องทิ้งปืนกระบอกนี้โดยเจตนาขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วก็ใช้ปืนกระบอกที่สะพายอยู่ด้วยเหตุผลสองอย่างก็คือเพื่อไม่ให้เกะกะ และอีกอย่าง 1.4'58' บรรจุ ก, กระสุนได้มากกว่าจุดกระบอกนี้เสียงปืนที่เราได้ยินจะต้องไม่ได้ดังขึ้นตรงนี้แน่นอนและพินจะต้องเคลื่อนที่ไปยิงที่อื่นในระยะที่ห่างออกไปและสมีไม่เกิน100ลานนี่แหละตำแหน่งที่เราพบปืนตกอยู่นี่เป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่เขามองเห็นอันตรายและเตรียมพร้อมขึ้นกล่าวจบประโยคอันเร็วราวกับรถไฟด่วนนั่น เขาก็ตะโกนถามไปยังกลุ่มของมาเรียและพันพื้นเมืองที่แยกกันตรวจดูตามพื้นรอบด้านขณะเดียวกันชายยันก็กูตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบหรือวิแววอะไรทั้งสิ้นทันใดนั้นสั่งปาผู้ตรวจรุดไปเบื้องหน้าในระหว่างป่าหินอันสูงขึ้นไปก็ตะโกนเรียกร้อนรนพร้อมกระโปกงมือทุกคนที่กระจายอยู่กับที่ต่างๆก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เจ้าพานต่องสู ข, ของมาเรียชีย้ให้ดูก็คือปลอกของรูปปืนจุด4 5 8แบกน้าปลอกหนึ่งวิ่องอยู่กับพื้นในระหว่างหมู่หินเตี้ยๆพร้อมกับรอยปลายเท้าของจอมพานที่จิกไว้กับดินบนปูด อันแสดงให้เห็นชัดว่าเขาออกวิ่งอย่างเร่งร้อนทั้งหมดตามรอยนั้นไปทันทีห่างไปเกิน19ก็พบปอกกระสุนชนิดเดียวกันหล่นอยู่อีกสองนัดครบตามจํานวนที่ได้ยินไปถึงนี้แน่นายเสียงบุญคําละล่ำละลักมือชี้ไปยังเนินที่สูงขึ้นเป็นลําดับมีหินผา ง, งอกตะงานเกะกะอยู่ราวกับจะเป็นรั้วกาแพงของเชิงเทียนแล้วแกก็ออกห่อแนบนําหน้าไต่เนินเขาชันขึ้นไปก่อนโดยมีคนอื่นๆตามมาติดๆเป็นพลวน แล้วทุกคนก็ใจหายอีกครั้งเมื่อเห็นไรเฟิลจุด458แปดมกนัมกระบอกนั้นหล่นตกอยู่ในระหว่างหินทรงชชลูดสองลูกที่ยื่นอยู่ริมทางแลไม่ผิดอะไรกับเสาประตูขณะที่บุญคำก้องลงเก็บขึ้นมาเชิฐาก็เผ่นล้ำหน้าบุกขึ้นไปเป็นคนแรกพร้อมกับไรเฟิลที่กระชับอยู่ในมือโดยมีชายยันกระชันชิดมาติด ทางบันชันขึ้นไปประมาณ45องศาสูงราว30ฟุตเหมือนหนึ่งจะเป็นทางนำขึ้นเชิงเทียนปาการธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยกำแพงก้อนหินพอขึ้นมาถึงระดับราบเรียบในวงล้อมของหมู่ก้อนหินใหญ่น้อยนั้นเชษฐถาก็อุทานลั่นออกมาอย่างตกใจกระพินริมก้อนหินใหญ่ที่เขาโผ ล, ล่พ้นรับมุมเข้ามานั่นเองร่างของจอม่านนอนหงายแน่นิ่งอยู่ที่นั่น ใช้ถาทิ้งปืนลงกระโจนเข้าไปประคองช้อนศีรษะขึ้นพลิบตาต่อมาชัยยันดารินและมาเรียก็พลวดพาดเข้ามาถึงและเห็นภาพนั้นพร้อมกันด้วยความตรนกเหลือที่จะกล่าวพูกันเข้าไปโดยเร็วช่วยกันตรวจไปทั่วร่างอันแน่นิ่งนั้นไม่มีบาดแผลอะไรเลยชัยยันร้องท่ามกลางความชุลมุนนั้นดารินเหนียวหลชัยยันออกมาแล้วตรวจร่างกายของจอมพานอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเต็มไปด้วยความรีบด่วน เขาห ม, ด, มดสติไปหลอนละล่ำละรักออกมาขณะที่จับปลายคางอันรกไปด้วยคราวนั้นสั่นเบาๆอยู่ไปมาใช้ถาประคองร่างของผานใหญ่ขึ้นมาอยู่ในท่านั่งระหว่างที่ชุลมุนปฐมพยาบาลกันอยู่นั่นเองระพินภัยวันก็เคลื่อนไหวกายขึ้น สิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก็คือสีหน้าอันแย่เขี้ยวหลับตาแน่นเหมือนจะต่อสู้กับความเจ็บปวดเมินงงนั่งเหยียดเท้างอตัวก้มศีรษะลงค่อยๆ ย, ยกมือทั้งสองขึ้นกลุ่มที่ท้ายทอยทุกคนที่แวดล้อมอยู่เรียกนามเข้าแซด หัวคงจะไปฟาดง่ายหินแล้วก็น็อกสลบไปดารินพูดเร็วปือมาเรียผู้อยู่ทางด้านหลังก็บิดนวดที่บริเวณต้นคอและสะบักทั้งสองให้อย่างคล่องแคล่วลักษณะของหล่อนสันทัดชำนาญต่อการประถมพยาบาลคนที่หมดสติด้วยวิธีนวดปลุกประสาท ใช้าถาและชัยยันก็ขยํารวดเฟ้นให้เขาตามแขนขาและตรวจดูว่ากระดูกเคลื่อนที่ไปบ้างหรือไม่พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยดารินควักแอมโมเนียที่มีติดประจําในกระเป๋าเสื้อเปิดจุกออกมาจาะที่จมูกทุกคนช่วยกันอย่างกุรีกุจอและฉับไวที่สุดผูู้ใหญ่จอมพันก็ลืมตาขึ้นลักษณะของเขายังมึนงงและอิดโรยพอแลเห็นทุกคนที่แวดล้อมอยู่ด้วยสีหน้าเป็นห่วงก็ได้แต่จ้องค้างยังไม่สามารถตอบคําถามใดๆ ไ, ได้ทั้งสิ้น บรันดีชา ย, ยันเช็ฐาร้องบอกชา ย, ยันรีบเปิดกระติกบรันดียื่มส่งไปให้มาเรียโดยเร็วแม่มสาวประคองต้นคอผานใหญ่ไว้เจอกระติกลงที่ริมฝีปากเปลาะให้เขาดื่มเข้าไปสองสาอึกก็สำลักสะบัดหน้าอยู่ไปมาประสาทแห่งการรับรู้เริ่มจะกลับคืนมามือยังคงกุมป้อยอยู่ที่ท้ายทอยเช่นกันแต่มาเรียรจับออกก้มลงไปบอกว่า นิ่งเถอะฉันจะนวดให้คุณเองเป็นยังไงรู้สึกดีขึ้นไหมระพินถอนใจเฮือกหน้านิ่วอุทานด้วยความปวดระบมออกมาได้เป็นคำแรกเมื่อถูกนวดเฟ้นพยายามจะทรงตัวลุกขึ้นแต่เช่ดถากดไหลไว้นั่งพักก่อนเถอะอย่าเพิ่งลุกนี่ผมหมดสติไปนานสักเท่าไหร่ประมาณ 5-6 ถึงนาทีเราได้ยินเสียงปืนกวาดตามมาก็พบคุณนอนหมดสติอยู่บนนี้เกิดอะไรขึ้น จอมผ่านแยกเขี้ยวคางเบาๆออกมาอีกครั้งขยับตัวแต่แล้วก็ถูกมาเรียผู้ช่วยนวดอยู่ทางเบื้องหลังเหนี่ยวไหลกระชากเบาๆศีรษะของเขาจึงถูกกั้งหงายพิงลงไปบนทรงอกอันนุ่มนิ่มเป็นสปริงราวกับหมอนยางอย่างดีนั้นในภาวะอันตื่นเต้นตระหนกตกใจเช่นนี้ไม่มีใครสนใจกับอาการช่วยเหลืออย่างสนิทสนมปราศจากความเดียดฉันของแม่มสาวเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็พิสูจน์ถึงความร่วมน้ำใจอันดีของหล่อนซึ่งคณะทุกคนต้องการ ผมเรียบร้อยดีแล้วเมย์ขอบคุณมากเขาพูดแถบๆบแบบมือยันที่เขาของหล่อนตัวดึงออกมาช้าๆแล้วเอี้ยวดัดคอไปมาพางสลัดแขนขาสำรวจตัวเองว่ามีอะไรชํารุดไปบ้างหรือไม่แง้ซ้ายแล้วจอมผ่านก็หลุดปากออกมาอย่างยากเย็นแง้ซ้ายทําไมทุกคนที่แวดล้อมอยู่ร้องลั่นถามมาเป็นเสียงเดียวแทบไม่หายใจ ผมตามมันขึ้นมาทานบนนี้จะจับตัวมันให้ได้เกิดสู้กันขึ้นมันจับผมทุ่มหัวไปกระทบแง่หินหมดความรู้สึกไปอย่างตรุมพึงเพิดกันไปอีกวาระหนึ่งในสิ่งที่ได้รับทราบเชื้อทาถามต่อมาโดยเร็วว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมเห็นหลังมันอีกครั้งเดินเลี้ยวลัดอยู่ข้างหน้าห่างประมาณ50ิบหลาผ่านใหญ่เล่าขอพรันดีไปดื่มอีกดึกใหญ่ ผมกวดไล่หลังมันไปติดๆมันก็เร่งสีเท้าหนีเลยยิงสกัดออกไปสามนัดเฉียด ต, ตัวมันไปเพื่อจะให้มันหยุดพอลูกปืนแล่นไปดักเส้นนั้นมันก็เลยเปลี่ยนทิศหนีขึ้นมาหลบอยู่บนนี้ผมก็ตามขึ้นมาพอโผประจันหน้ากันบนนี้พอดีเขาหยุดเว้นระยะกื่นน้ำลายทุกคนจ้องเขม็งมาอย่างตื่นเต้น มันสียแยกเขี้ยวทะมอนถึงดักรอผมอยู่ทีเดียวห่างเพียงสองวาเท่านั้นแล้วก็รุ่มเข้าใส่ผมเยังกับสัตรว์ร้ายผมหัวด้วยพานไรเฟิลถูกมันอย่างจังเซพผงาดออกไปผมก็ตามเข้าไปตีซ้ําหมายจะคว่ำ ม, มันลงชั่วขณะคราวนี้มันถลันเข้าถึงตัวย่างปืนเกิดสู้กันขึ้นในระยะประชิดผมไม่คิดมาก่อนว่าเรี่ยวแรงของงาทรายจะมากมายผิดปกติราวกับช้างสารถึงเพียงนั้นมันกระชากไรเฟิลไปจากมือผมได้ก็เหวี่ยงไปทางนึงแล้วผมก็ไม่รู้ มันก็จับผมทุ่มลงกับพื้นนั่นเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่ผมจำได้ยกคุณขึ้นทุ่มทั้งตัวชายันร้องเสียงหลงครับเหมือนผู้ใหญ่จับเด็กเล็กๆนั่นแหละแง่ทรายสูงใหญ่ร่างกายแข็งแรงกว่าผมก็จริงแต่ผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีกำลังจนถึงขนาดจะยกผมลอยขึ้นเหนือหัวได้ ตอนที่ถูกทุ่มรอยลงมาผมก็คิดว่าผมคงคอหักตายแล้วครั้งแรกที่ผมตีมันด้วยพานท้ายปืนกระทบสีข้างอย่างจังและผมก็หัดสุดแรงเกิดกะให้มันจุกหรือไม่ก็สลบไปเลยแต่ดูมันแทบจะไม่สะเทือนเอาเลยกับเล่นเอาผมเส ย, ย่ําแย่หน้าตาสารรูปของมันตอนนั้นก็ไม่เหมือนกับแง่ทรายที่ผมเคยเห็น แง่ทรายกําลังเสียสติเป็นบ้าไปแล้วคนบ้าย่อมมีกําลังส่วนพิเศษเหนือกว่าเวลาปกติเสมอพวกเราดีใจเหลือเกินที่มาพบคุณที่ไม่เป็นอันตรายอะไรมากนะดาวรินพูดน้ําเสียงของหล่อนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหวั่นใจอย่างบอกไม่ถูกเราพบปืนจุดสี่แม็กนัมตกอยู่กลางทางเชษฐาว่าผมทิ้งไว้เองละครับเพราะกําลังกวดติดตามแง่ทรายไม่ต้องการให้เกะ ก, กะคงใช้จุดสีห้กระบอกเดียวไม่รู้แงาทรายฟาดหักปมปี้ไปหรือเปล่าเพราะมันแย่งจากมือผมได้ เรียบร้อยดีเราพบตกกลิ้งอยู่ข้างๆางใกล้นี้เองแง่ายคงโยนปืนคุณทิ้งเฉยๆและภายหลังจิตที่ทุ่มคุณลงไปนอนสลบแล้วก็คงหนีไปโดยไม่ได้ซ้ำเติมอะไรคุณอีกเหตุการณ์ในครั้งนี้สวรรค์ช่วยไว้แท้ๆมาเรียเอิอร์ขึ้นบ้านพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างโล่ง อ, อกตอนที่ได้ยินเสียงปืนเราใจหายกันหมดนึกว่าคุณประทะกับเสือใหญ่ดำปลอนั่นแล้วก็ยิ่งตกใจไม่ได้ยินเสียงคุณยิงถึง3านัดซึ่งผิดปกติ เราคิกว่าคุณเสียท่ามันแล้วขณะที่วิ่งตามมากู่เรียกก็ไม่ได้ยินตอบรับพินกัดการามแน่นโครงหัวช้าๆเจอส่ตวตอนนั้นยังดีกว่าเจอแง่ท า, ายเพราะเสือผมฆ่ามันได้แต่แง่ท า, ายฆ่ามไม่ได้และการที่จะหมายจับมันด้วยมือเปล่าตามลําพังผลมันก็แทบจะหักคอซะอย่างที่เห็นนี่ถ้าตอนนั้นพวกเราตามมาทันเราคงได้ตัวมัน ผมเองก็ใจร้อนไปหน่อยยิงไล่มันมาติดอยู่แบบนี้แล้วถ้าคอยเอาลุกปืนสกัดไว้ตอนที่มันจะโผล่ออกมาและรอจนกว่าพวกเราจะมาถึงคงช่วยกันล้อมไม่ได้ก็นึกว่าพละกําลังคนธรรมดาด้วยกันผมน่าจะเอามันอยู่ไม่นึกว่าเรียวแรงมันจะผิดปกติไปเช่นนี้เขาพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนอย่างยากเย็นเดินล้ำแนวล้อมของกลุ่มออกไปอย่างโขดหินอันมีลักษณะเหมือนกำแพงนั้นออกไปกวาดตาสำรวจดูรอบๆสะบดอะไรอึดออยู่ในลําคอ ขณะนั้นปากขมุขมวัวมืดลงทุกทีทุกคนสังเกตเห็นจอมพานเต็มไปด้วยความผิดหวังและหมุดหงิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าพิศวงละพินภัยวันกวดตามถึงตัวแงซ้ายแล้วแต่ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถจะเอาตัวแงซ้ายได้กับถูกจับทุ่มจนสลบแล้วเจ้านั่นก็หายตัวลึกลับต่อไปเชษฐาเดินตามเข้ามาวางมือไว้บนหลังของจอมพานยิ้มให้อย่างปลอบใจ อย่าคิดอะไรมากเลยละพินอย่างน้อยที่สุดพวกเราก็ดีใจแล้วที่คุณไม่ได้รับอันตรายอะไรมากฉันคิดว่าถึงเขาจะบ้าเสียสติไปเช่นไรเขาก็ยังมีอนุสติพอที่จะไม่ทำอะไรรุนแรงเกินไปนะักเพียงแต่ต้องกันตัวเองเพื่อจะหนีไปเท่านั้นแงซ า, ายอาจจะฆ่าคุณซะตอนนั้นก็ได้ถ้าเขามีเจตนา ดาวินกล่าวอย่างแผ่วเบาอีกคนหนึ่งหล่อนเป็นบุคคลเดียวที่มองเจ้าองครักษ์พิเศษประจําตัวในแง่ดีมาตลอดผานใหญ่ชํำเลืองมองดูหน้าน้องสาวคนสวยของนายจ้างนิดหนึ่งเมื่อยังรูปคําอยู่ที่ต้นคอแต่ไม่กล่าวอะไรอีกนอกจากสีหน้าและแววตาที่ดาวินเห็นแล้วอึดอัดไม่สบายใจ คุณกําลังมีความคิดที่จะจับตายแง่ทรายกำมังต่อไปเนี่ยหล่อนถามเสียงเหมือนกระซิบ ต, ต่อมาผ่านใหญ่ยิ้มเข่นเข่นผมไม่มีความสามารถที่จะจับหรือหยุดคนใช้พิเศษของคุณหญิงได้ด้วยมือเปล่าซะแล้วก่อนนี้ก็หวังได้แต่เดี๋ยวนี้มันหมดหวังและในระหว่างชีวิตของผมกับแง่ทรายขอเรียนตามตรงว่าถ้าจําเป็นก็ขอเลือกเอาชีวิตของผมเองไว้ก่อนใช่ถ้าจําเป็น ถ้ายังไงไม่จำเป็นแล้วก็ขอไว้นะอย่างน้อยก็นึกว่าเขาเป็นคนของฉันโดยเฉพาะฉันขอร้องวิงวอนต่อคุณรพินยกมือกลุ่มต้นคอที่ยังรู้สึกปวดแป๊บๆอยู่อีกครั้งไม่ตอบคำใดทั้งสิ้นเดินไปนั่งบีบขมับอยู่คนเดียวขณะนี้กลุ่มพานพื้นเมืองของเขาก็เข้าไปห้อมล้อมเจ้านายอย่างเป็นห่วงซักถามอะไรอยู่พรึงพัในระหว่างกลุ่มกันเอง ลักษณะของคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความวิตกใจและเดือดแค้นแต่จอมพานตัดปดโดยการไล่ให้ไปช่วยกันขนของที่กองทิ้งไว้ขึ้นมายังบริเวณนั้นถ้าทางพันใหญ่ของเราสบักสบอมมากชายยันพูดเบาๆกับคณะของเขาเมื่อมองจับไปยังร่างของจอมพานซึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วทั้ง4ต่างก็พากันเดินตามเข้ามาใกล้มืดลงเต็มทีแล้วเราเห็นจะต้องพักกันที่นี่ก่อนยึดที่มั่นตรงนี้แหละชยภูมิเหมาะมาก เชฐาพูดขึ้นพางสุดกายลงนั่งตรงหน้าคนอื่นๆจึงนั่งตามลงด้วยวางเรลเฟอร์พินก้อนหินไว้และพินคงนั่งนิ่งเงียบอยู่เช่นนั้นพิงตัดก้มศรีรษะลงรับคำเชฐาอย่างมึนๆทอดกายเหยียดขาราบไปกับพื้นแล้วล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบตลับยาหม่องออกมา พักออกเอื้อมไปขยี้ทาที่ท้ายถอยและต้นคอของตนเองดารินมองดูอย่างสมเพชยิ้มให้ดึงตลับยามองไปจากมือเขามาจะช่วยทาให้หล่อนว่าแล้วเอื้อมไปทางด้านหลังของเขาผักหลังให้ก้มลงไปข้างหน้าทางเขยี้ทาน้ํามันหม่องให้เบาๆท้ายถอยของรพินแบบ น, นี้ปรากฏรอยบวชมช้าขึ้นเห็นได้ถนัดดารินตรวจอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งใช้มือกดไปยังบริเวณรอบๆแล้วคอยสอบถามความรู้สึก เขาสะดุ้งและเบนศีษะนนี้อยู่สองสครั้งเมื่อนิ้วของหล่อนกดไปยังบริเวณทัดดอกไม้ ด, ดูให้แน่นอน้อยเป็นอะไรไปหรือเปล่าช่วยถามมาอย่างกังวลและไม่สู้จะไว้ใจอาการของรพินนะักเห็น <He ard. S 2> จะไม่มีอะไรมากนักหรอกค่ะคงกำลังระบมเท่านั้นไม่แตกเสียด้วยซ้ำสงสัยว่าจะมีพระดี ประโยคหลังหล่อนก้มลงมาพูดข้างๆหูเขาเหมือนจะย้าแต่เจ้าตัวคนศรีรษะน็อกพื้นยิ้มออกมาได้เพียงเข่นๆทุกคนสังเกตเห็นอาการของเขาอ่อนเปลี้ยหมดความปราดเปรียวว่องไวลงไปมากผิดกว่าในเวลาปกติทุกครั้งซึมช้าเงียบเขื่ไปคงเนื่องมาจากความกระทบกระเทือนที่ศรีรษะมาเรียนจุดบุหรี่ส่งมาให้แต่ก็ได้รับการสั่นศรีรษะปฏิเสธ คู่ต่อมาพวกลูกหาก็ขนของทยอยกันขึ้นมาอีกครั้งเชษฐาสั่งห้ามไม่ให้จอมพานขยับขยื่อนทําอะไรทั้งสิ้นตนเองและชัยยันทําหน้าที่ควบคุมบงการในการวางแคมป์แล้วต่อจากนั้นไม่นานมานักที่พักนอนชั่วคราวก็เสร็จเรียบร้อยท่ามกลางแนวกองไฟกินเสื้อแล้วหลังอาหารก็นอนพักทันทีไม่มีหน้าที่ต้องทําอะไรอีกแล้วทั้งสิ้นตลอดคืนนี้นอกจากนอนอย่างเดียวเรื่องอื่นๆเป็นหน้าที่ของพวกเราหล่อนสั่ง ระพินนั่งซึมกระถือผิงกองสัมภาระจันรกับบุญคำช่วยกันปลดเข็มขัดของเขาขยายให้หลวมออกโดยคำสั่งของเชษฐาแล้วจัดการถอดรองเท้ากับถุงเท้าแบ่งไฟมาสมผิงให้ที่ฝ่าเท้าอันซีเถียวของเขาขยินก็ไปหาก้อนหินลักษณะเหมือนก้อนเศร้ามาได้ก้อนหนึ่งย่างไฟพอให้อุ่นระอุแล้วห่อพันด้วยใบยว้านซึ่งหาได้ใกล้เคียงช่วยประครบให้ที่ต้นคอ ตลอดเวลาพานใหญ่ดูเหมือนจะพูดน้อยคำที่สุดแล้วหลังจากที่กินซุปกระป๋องที่ชา ย, ยันเปิดอุ่นและส่งมาให้พร้อมทั้งบังคับเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเขาก็หนังตาหนักลงในที่สุดก็พอยหลับไปในท่าที่ยังนั่งตะแคงอยู่ชา ย, ยันกับเชษฐาช่วยกันประคองให้นอนลงราบกับพื้นตามสบายโดยจัดที่นอนให้เป็นพิเศษอยู่ตรงกลาง พวกพันพื้นเมืองพากันจ้องดูเจ้านายอย่างเป็นห่วงไม่ต้องตกใจไปหรอกฉันทียานอนหลับกับเขาดาวรินหันไปปลอบใจพวกนั้นให้คลายกังวลฉันไม่ต้องการให้เขาลุกขึ้นมาทําอะไรอีกทั้งสิ้นตลอดคืนนี้ถ้าได้นอนพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้อาการของเขาจะดีขึ้น่านใหญ่คงไม่ชอบให้นายหญิงวางยานอนหลับเสยพูดอ่อยๆฉันทําเพื่อช่วยเขาและหวังดีต่อเขาหล่อนอธิบายด้วยเสียงอ่อนโยนเราอยู่กันกลางดงร้าย เกิดอะไรขึ้นมาบ้างเขาหน้าส่อแววอึดอัดวิตกเกรงในหญิงทําให้เจ้าพายอย่างพานใหญ่หลับพวกเราทุกคนก็เหมือนอยู่กันตามลําพังเท่านั้นถึงเจ้าพัยจะหลับพวกเราก็สามารถดูแลป้องกันตนเองได้หรือเกิดคิดว่าในบรรดาพวกเราถึงสิบคนเหล่านี้หมดเสิ้นฝีมือกันซะแล้วชายยันกล่าวมาอย่างหนักแน่นปลุกปลอบใจพวกนั้นพากันนิ่งงานไป